มีอะไรปั๊บวันนะโมตสระพระคภะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่มีอะไรที่จะทําให้ตัวเองสบายใจเท่านี้อีกแล้วเพราะหมอ้อเรียกว่าม้อตกถ้าผีหักอะไรเป็นต้นก่อนณนโะมไว้ก่อนนะคิดนอบน้อพมพระพุทธเจ้าวไว้ในใจให้หมดเลยอะอะไรจะเกิดขึ้นก็ ข, นกขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระอรหันตเทรีรูปหนึ่งเนี่ยนะ ท่านเห็นผมท่านก็คิดถึงพระพุทธเจ้าเช่นเห็นผมมันงอกแล้วท่านก็บอกอู้พระองค์ตรัสจริงแท้คิดถึงพระพุทธเจ้าทุกคำพิจารณาผมขนเล็บพิจารณาผิวหนังพิจารณาอวัยวะสรีระทั้งปวงท่านเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ทุกที่เห็นพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยพูดถึงผมเนี่ยตามเป็นจริงแท้เขาสะท้อนเขาเห็นอะไรเนี่ยสะท้อนไปหาพระพุทธคุณได้หมดเลย เห็นบินก็สะท้อนไปหาพุทธคุณเห็นน้ําก็สะท้อนไปหาพระพุทธคุณเห็นลมเห็นไฟเห็นอากาศเห็นท้องฟ้ามหาสมุทรเห็นทะเลเห็นดวงดาวเห็นแก้วแว่นเงินทองนึกถึงพระพุทธเจ้าได้หมดเลยนึกถึงรูปก็คิดถึงพระพุทธเจ้าได้พิดเวทนาสัญญาสังขารนึกถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเห็นพุทธคุณได้จากทุกเรื่องจากทุกอย่างได้นะมันศรัทธาของเขาจึงมั่นคงมากมันเป็นสิ่งที่เขาสบายใจที่สุด ไม่มีสิ่งใดที่ว่าจะยังความเอิบอิ่มใจของพระอริยเจ้าเท่ากับพระพุทธคุณเนี่ยนะพระพุทธคุณเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความเอิบอิ่มใจของพระอริยเจ้าที่สุดมันของเราเนี่ยบอกโอ้จะกลัวจะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากอันนี้ไม่ต้องกลัวเพียงแต่ว่าโดยมากมันขาดเนี่ยนะกันดารแห้งแรงโอ้ยถ้าใครเดินทางหน้านี้เราจะเห็นชัดแล้วโอ๊ยมันช่างแห้งแรงแท้เนี่ยนะก็เผาจุดไฟเผาป่าใช่ไหม ลมมันก็โกรกหน่อยแล้วก็ฝนตลบไปหมดร้อนระ อ, อุมองเห็นพยับแดดแตกระยิบระยับกันดานแห้งแล้งแท้เนี่ยนะันใดศรัท ธ, ธาของสัตว์ทั้งหลายในยุคปัจจุบันก็แห้งแล้งแบบนั้นมันก็เมื่อก่อนเนี่เราก็เข้าใจว่าโอ้ยคนก็จะได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้บอกเออเนี่ยเราสแสวงหาน้ำในหน้าแล้งก็เป็นอย่างนี้เลยสแสวงหาฝนในหน้าแล้งบอกเอาหมายละ แต่ว่าปรับวิธีคิดใหม่คิดว่าคนอื่นจะมีเลื่อมสในพระพุทธเจ้านะก็บอกเออจริงๆแล้วเขาเลื่อมสายแต่ในปริมาณที่จํากัดนะเขาเลื่อมใสพอคล้ายกับน้ําค้างไม่ได้เลื่อมใสายแบบน้ําฝนนะเลื่อมสายแบบน้ําค้างก็แปลว่าอะไรก็ก็ตอนเช้าเช่นสวดมนต์ตอนเช้าหน่อยหรือสวดมนต์ตอนเย็นหน่อยใช่ไหมมันก็เย่้มเยิมในตอนเช้าบางเยิ้มเยิมในตอนเย็นกลางวันก็ แห้งผากอะไรนั้นน่ะศรัทธาของเขาเหมือนกับน้ำค้างเลเนี่ยเหมือนกับน้ําฝนที่มันมันชุ่มอ่ะนะตกเช้าชุ่มถึงเย็นตกเย็นชุ่มถึงเช้าตกทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วมันชุ่มตลอดเนี่ยนะอันนั้นก็เรียกว่าพระอริยเจ้าจะจะมันเป็นแบบนั้นและของปุถุชนมันก็แบบน้ําค้างะกลางวันก็แห้งเนี่ยนะสังเกตดูตอนที่เราวุ่นไปวุ่นมายุ่งไปยุ่งมาเอาศรัทธาหายไปไหนหมดแล้วตกตั้งนานแล้วว่านั้นอ่ะนะตกกันาล้หยุดสวดมนต์ก็ศรัทธาตกหายไปหมดแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นลักษณะนั้นนว่่าาััธียม ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าที่ควรจะเป็นมันน้อยเนี่ยนะไม่คู่ควรแต่จะพลทู ก, ก็บอกว่าเอ้าวเขามีศรัทธานะบอกใช่ศรัทธานี่เป็นทรัพย์ใช่ไหมบอกเป็นถ้าเปรียบทรัพย์ทางโลกก็าบอกเขามีตังค์นะอา้าสลึงหนึ่งเขามีอ่ะแล้วก็ไม่เถียงว่าเขาไม่มีตังค์มีตังค์ให้ยี่สิบห้าตงค์นะสลึงหนึ่งเขามีตังค์ยี่สิบห้าตงค์อย่างเงี้ยนะเออเขจะปฏิเสธว่าเขาไม่มีเขาไม่ได้ก็บอกว่้ยไม่เขามีตังค์ร้อยตังค์แปลว่าบาทหนึ่งบางคนบอกเขามีตังค์สิบบาท คนมีร้อยหนึ่งพหนึ่งไปต้นถามว่าจากว่าเขาเขาไม่มีมันก็ไม่ได้เขามีแต่มันมีแบบอย่างนั้นอ่ะมันมีน้อยเกินไปที่จะเรียกว่าอแทบจะเรียกว่าพอๆก็ไม่มีอย่างนั้นเถอะมีน้อยเต็มทีศรัทธาของบุคคลทั้งหลายที่มีต่อพระัตนตรัยก็ลักษณะนั้นเขามีแต่ปริมาณที่มันน้อยมากแล้วก็มีเป็นมีศรัทธาแต่ก็มีศรัทธาเป็นบางเวลาแล้วก็เบาบางแล้วก็ บอบบางพร้อมที่จะเปราะพร้อมที่จะเรียกว่าไม่มีสติรภาพเนี่ยนะสติระมาจากส ถ, ถิระทีระแปลว่ามั่นคงเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยความมั่นคงไม่มีไม่ทีระเลยเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าศรัทธาที่ขาดเสติรภาพเนี่ยนะไม่มีความมั่นคงขึ้นลงเหมือนเหมือนอะไรที่มันขึ้นลงได้เหมือนน้ำเจ้าพยากันแล้วกันมันขึ้นขึ้นลงลงเลยนะนั้นถ้าหากว่าทํายังไงศรัทธาของเราจึงจะมั่นคงใน พระพุทธเจ้าที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็มาแตกว่าก็มาแตกว่าศรัทธาของเราที่มีต่อพระอรหันต์ศรัทธาที่มีต่อพระอนะทุกบทนี่เอามาขยายเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาให้หมดเลยเนี่ยนะมันก็ต้องเบื้องต้นเนี่ยศรัทธามันไม่เกิดเองหรอกเชื่อเหรอบางคนก็บอกแหมเก็มีศรัทธามาตั้งแต่เกิดนะ่ะเขมาไม่สแสวงหาบุคคลกลุ่มนั้นแต่กําลังสแสวงหาว่าคนที่ตั้งใจสมาทานให้มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้านั่นนะ รู้ว่าศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยมีผลมีคุณมีอนิสงฆ์เช่นใดอย่างไรดีอย่างไรและเขาพร้อมที่จะรักษาศรัทธาพร้อมที่จะพัฒนาศรัทธาไม่ใช่ให้คนไปคอยตามรักษาศรัทธาเขาแต่เขาเองเนี่ยเขามีศรัทธาเขาเขาเจริญศรัทธาได้ศรัทธาของเขาเติบโตได้โดยที่ไม่ต้องมาอา่ะเรียกว่าให้คนมาคอยรักษาศรัทธาวางกันพูดต้องพูดแบบพระโมคคัลลานะ อ, อสัพพาก็โยมก็สัทธายมโยมก็รักษาเอากันแล้วกันเนี่ยนะก็มีอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งพระโมคคัลลานะเนี่ยนะออมีอุปถะเป็นโยมอุบาสกคนหนึ่งทีนี้อุบาสกคนนี้นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันพระพุทธเจ้าก็รับนิมนต์อ่ะนะเสร็จแล้วก็พระนางสุ ป, ปวารสาคลอดลูกเป็นพระศรีวลีออกมาเนี่ยนะเสร็จแล้วก็อยากจะทําบุญตัดหน้าอุบาสกคนนั้นไป แต่ทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่ารับกิจนิมนต์เอาไว้แล้วบอกว่าเดี๋ยวให้พระโมคคัลลานะไปไปเลื่อนกิจนิมนต์หน่อยได้ไหมไปเลื่อนกิจนิมนต์ของอุบาสกที่เป็นอุปถาของพระโมคคัลลานะอุบาสกคนนั้นก็บอกถ้าท่านรับประกันข้าพเจ้าได้ก็ได้นะจะให้พระนางสุ ป, ปวาสาท่านทําบุญก่อนก็ได้รับประกันอะไรหนึ่งทรัพย์ของข้าพเจ้าต้องอยู่คงเดิมทุกประกรันข้อแรกข้อสอง ชีวิตของข้าพเจ้าภายในเจ็ดวันนี้ไม่ตายแน่ข้อ 3. สามศรัทธาของข้าพเจ้าคงเดิม น, นะข้อหนึ่งตรวจดูแล้วภายในเจ็ดวันทรัพย์ไม่เสียหายโดยประการทั้งปวงสรวจองแล้วบอกภายในเจ็ดวันยังไงก็ไม่ตายแต่บอกว่าศรัทธาเนี่ยท่านรักษาเองนะข้าพเจ้ารักษาให้ไม่ได้รกว่างกันเถอะพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์ขนาดนั้นยังไม่รับประกันศรัทธาเนี่ยนะวันคนที่ แต่อวสุกคนนั้นท่านเป็นพระโสดาบันท่านบอกเอองั้นนะ่ะถ้าท่านรับรับประกันสองอย่างได้ส่วนศรัทธาข้าพเจ้ารับรองเองอ น, นะครัขอประกันเรียกว่าเอาใจประกันใจตัวเองได้ว่ายังคงมีศรัทธาตลอดไปเนี่ยนะงั้นของเรานี้เอาอะไรเป็นตัวรับประกันว่ามีสิ่งใดให้เราแปรเปลี่ยนจากศรัทธาบ้างไหมต้องมาพยายามทบทวนนะมีอะไรที่จะมาทําลายศรัทธาของเราที่มีต่อพระัตนะตรัยไหม มีแก้วแหวนเงินทองมาเพื่อทำลายศรัทธาของเราที่มีต่อพระรัตนตรยัยไหมมีอะไรมั่งที่ทำลายมีเป็นตัวที่ทำให้เราหมดศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยเนี่ยนะแล้วก็ต้องมาดูว่าศรัทธาของเราเนี่มันเติบโตแค่ไหนปัจจัยตัวไหนที่จ ะ, ะเปลี่ยนแต่ที่สำคัญเนี่ยนะบอกว่าเออมันจะมันจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงในตอนนี้เนี่ยนะ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการพูดในขณะ น, นี้แต่สิ่งที่ต้องการพูดตอนนี้ก็คือว่าเราจะปลูกฝังศรัท ธ, ธาของเราที่มีต่อปัฏฐนาไตรัยให้เติบโตได้อย่างไรเนี่ยนะจะทําให้ศรัท ธ, ธาของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้านั้นได้อย่างไรวิธีที่หนึ่งก็คือตั้งใจว่าเราอย่างไรใจของเราเนี่ยนะแผ่นดินจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเถอดแต่ศรัท ธ, ธาของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าจะต้องไม่เปลี่ยน ดินน้ำไฟลมอวัยวะร่างกายชีวิตสิ่งเหล่าใดมันจะอะไรมันจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะแต่ศรัทธาของเราที่มีต่อพระรัตนตรัยต้องไม่แปร ى, ต้องไม่ผันแปร ى. อันนี้ต้องมีความตั้งใจแบบนี้ก่อนป่วยขนาดไหนก็ไม่ขอเปลี่ยนใจจากการนับถือพระพุทธเจ้าจะดีใจได้ลาบได้ได้ไดไดลาบเสื่อมลาบก็ไม่ขอเปลี่ยนใจจากการนับถือพระพุทธเจ้าได้ยศหรือเสื่อมยศก็ไม่เปลี่ยนใจจากการ นับถือพระพุทธเจ้าประสบสุขหรือทุกข์ปาลนใดก็ไม่ขอเปลี่ยนใจจากการนับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะได้รับคำชื่นชมหรือว่าถูกผากทางเนบแนนติเตียนนินทาว่าร้ายปาลนใดก็ตามก็จะไม่ขอใจเราก็ไม่ขอเลิกเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าก็ได้ว่าแมาตั้งใจไว้แล้วตั้งใจไว้เป็นอย่างดีเลยไม่มีเหตุผลใดเพรา ะ, ะปวดฟันก็ไม่ไม่เลิกเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ปดหัวก็ไม่ขอนเลิกเริ่อมสายต่อพระพุทธเจ้าเป็นไข้เป็นวัดตัวร้อนไม่สบายกินไม่อิ่มนอนไม่ห ล, ลับเรื่องกิอิ่มเกินไปตื่นขึ้นมาก็ขอเรื่อมสายในพระพุทธเจ้าต่อไปเป็นต้นคือสรุปว่าจะไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่จะเปลี่ยนแปลงได้อ่า น, นะจะสรวัตศรัทธานั้นจะไม่เห็นหมายความว่าสิ้นสุดแค่ทรัพย์แค่ลาบแค่ยศแค่สรรเสริญเพราะญาติเพราะอาวัยวะเพราะชีวิตจะไม่มีเครือว่าไม่มีกติกาไม่มีเงื่อนไขอ่างนั้นนอะ ขอเรียกว่าให้สัตจใจของเราเนี่ยพักดีกับพระพุทธเจ้าตลอดไปอันนี้อันดับแรกเนี่ยก็คือความตั้งใจที่จะมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าสมาทานถือเอาศรัทธาเป็นเป็นหลักเรียกว่าสมาทานถือเอาศรัทธาก่อนคิดบอกถ้ามีศรัทธาขนาดนี้ยม่มว่จะไปอบายได้ไหมมีอะไรทําให้ไปอบายได้ไหมมีไหมไม่มีเนี่ยนะพันธก็ศรัทธานี้ก่อนอันนี้ต่อไปเนี่ยสําคัญที่สุดก็คือว่า เพิ่มปัญญาถ้าเพิ่มปัญญาได้เท่าไหร่พระพุทธเจ้านีเนื่องจากพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาคนที่ไม่มีปัญญาก็ยากเหมือนกันนะที่จะมั่นคงในพระองค์ได้ตลอดไปสมมติถ้าบอกว่าหนึ่งมาดูหนึ่งมีอะไรบ้างที่เราไม่เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้ามีไหมมีบางอย่างบ้างไหมที่เราไม่เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าปฏิเสธพระพุทธเจ้าอย่างเช่นศึกษาพระไตรปิฎกไม่เห็นด้วยกับพระวินัยปิฎก ไม่เห็นด้วยกับพระสุตันตแต่ปิฎกไม่เห็นด้วยกับพระพิธรรมปิฎกไม่ปฏิเสธบอกว่าทุกอย่างเห็นด้วยตามพระพุทธเจ้าหมดมันไอการเห็นด้วยนั่นแหละเรียกว่ามีสารณะขอเห็นด้วยเลยนะขอมีทิฏฐิตามมันพูดทางสารนังคฉามิขอมีศรัทธาต่อพระองค์และขอเห็นด้วยตาม พระองค์ว่างั้นแต่พูดแบบภาษานี่ก็แล้วพระองค์จะชี้นกก็จะว่านกแหละว่างั้นเถอะพระองค์ว่านกเราก็ว่านกพระองค์ว่าไม้เราก็ว่าไม้คิดว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้พระองค์จะว่ายังไงก็ขอรู้ตามเห็นตามลักษณะนั้นเป็นลักษณะของผู้มีศรัทธาอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือขอรู้ตามขอเห็นตามพระองค์ว่ายังไงก็จะว่าขอว่าตามเนะเขาก็มีนะอริยะสาวกเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ มีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้ามหานามะพระเจ้ามหานามะเนี่ยซึ่งเป็นพี่ชายของพระนุรุทธะนะก็คือท่านบอกว่าในโลกนี้เนี่ยนะสมมติถ้ามีการคาดใครคนหนึ่งพูดกับพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเขาเขาเอาพระพุทธเจ้าใครก็ช่างเถอะตั้งแตยาจกยันถึงมหาพรหมพูดก็ตามเขาถือเอาพุทธพจน์เป็นประมาณทีนี้อันนี้ระดับหนึ่งอย่างที่สองคนทั้งโลกเอ่ะ พิสษุรูปเดียวพูดกับพระพุทธเจ้าตรัสเขาก็เอาพระพุทธเจ้าบุคคลอื่นๆอีกจะประมาณสรุปว่าโลกพร้อมทั้งเทวโลกพูดอย่างไรก็พูดไปเถอะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรเขาเอาตรงนั้นเป็นประมาณก็คือเอาพระพุทธเจ้าเป็นประมาณแม้แต่พระอรหันต์สมัยพุทธกาลท่านก็ยังเอาพระพุทธเจ้าเป็นประมาณท่านเปรียบตัวท่านเองเหมือนกิ่งกับใบพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับไม้แก่นลําต้นของไม้แก่นที่เป็นแก่นแท้ เป็นแก่นแท้แก่นจริงๆเลยว่ากั้นเถอะเพราะพระองค์มีแก่นที่เป็นศีลที่มั่นคงมากมีแก่นที่เป็นสมาธิปัญญาเป็นต้นที่มั่นคงมากเนี่ยนะแล้วพระองค์เนี่ยเป็นมีเป็นปัญญาที่สุดอนะเหมือนอย่างว่าถ้าเรานับถือแสงสว่างว่าดวงอาทิตย์เนี่ยสว่างที่สุดก็ไม่รู้จะเอาแสงอะไรมาเปรียบกับดวงอาทิตย์เว้นไว้แต่ดวงอาทิตย์ด้วยกันที่มันจะพอสว่างได้เหมือนกับดวงอาทิตย์ก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยนะอย่างมากก็เหมือนคล้ายแต่ก็ไม่เท่า แสงสว่างไม่มีแสงสว่างเหล่าใดในตอนกลางกลางวันที่สว่างเท่ากับดวงอาทิตย์ไม่มีแสงสว่างดวงใดในยามค่ำคืนแสงสว่างเท่ากับดวงจันทร์แต่พระพุทธเจ้าส่องสว่างได้ทั้งกลางคืนและกลางวันสว่างด้วยสัพพัญญตญาณ น, นะร่างกายของพระองค์ก็มีพระชับพันรังสีรังสีของพระองค์นั้นอ่ะบอกว่าถ้าเป็นรังสีของพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละเนี่ยที่พระองค์ประสงค์เอาไว้เนี่ย ดวงอาทิตย์เนี่ยไม่สว่างเลยนะในหมื่นจักรวาลเนี่ยดวงอาทิตย์ไม่สองสว่างเลยดวงอาทิตย์นี่เป็นเหมือนกับลูกอะไรกลมๆ ล, ลูกหนึ่งเท่านั้นเพราะอะไรเพราะรัศมีของพระองค์นี่กลบหมดนะฉับพันณรังสีของพระองค์นี่กลบหมดสัตว์ทั้งหลายเนี่ย อ, อยู่ด้วยเคือว่าใช้ชีวิตด้วยรังสีของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะด้ว ย, วยแสงสว่างของพระพุทธเจ้าพอพอพระองค์ปรินิพานตอนนั้ น, นโลกมืดเลยประมาณโลกนี่มืดมิดแต่พระพุทธเจ้าของเราโดยปกติจะมีรังสีออกประมาณหนึ่งวารังสีก็คือรัศมีนะฉับพลันรังสีเนี่ยที่ออกหนึ่งวาโดยปกติแต่จริงๆแล้วพระองค์ก็มีความสามารถที่จะให้สว่างได้เป็นหมื่นจักรวาลแต่พระองค์ก็ไม่ไม่ไมทำนะเพราะอะไรเพราะพระองค์พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วว่า ควรจะทําอย่างไรเนี่ยนะเรื่อว่าทุกอย่างที่พระองค์ทําในรอบครอบเพราะสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายพระองค์จะทําสิ่งนั้นถ้าสําหรับพระองค์แล้วถ้าหากว่าทําอย่างนั้นแล้วดีพระองค์ก็ทําไปแล้วละเนี่ยนะเช่นแสดงยมกะปาติหานะช่วยสัตว์ทั้งหลายบรรลุมรรคผลได้พระองค์ก็ทํนะะะ า, า, แ, ตทาทแต่ถ้าหากว่าพระองค์แสดงฤทธิ์แล้วไม่ได้เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลเลย แต่ตรงกันข้ามก็บอกโอ้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไปที่ไหนก็มัวแต่ไปสร้างปาฏิหารสร้างความลุ่มหลงและงงงวยให้แก่คนทั่วทวไปมีแต่อะไพระพุทธเจ้ามีแต่สร้างความลุ่มหลงและงงงวยแก่คนอื่นพระองค์นี่จึงรังเกียจอิติปาฏิหารรังเกียจมากนะจริงๆแล้วพระองค์รังเกียจอิทธิปาฏิหารที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าโดยมากถึงความงงงวยเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโดยมากก็เรียกว่าแท่งเรียกว่าอ้าปากค้างเอาตะลึงเลยนะ พอตะลึงเสร็จมีใจเป็นของตัวเองไหมพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่เรียกว่าสร้างเหตุการณ์ให้คนเนี่ยผิดปกติผิดปกติหมายความว่าไม่เป็นตัวของตัวเองพระพุทธเจ้าจะสอนธรรมะให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองไอ้คําว่าตัวของตัวเองเนี่แปลว่ามีใจปกติทุกประการไม่ใช่คนโง่คนเคล้าคนหลงงมงายหรือว่าถูกสะกดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่พระพุทธเจ้าไม่ใช่นักสะกดจิต น, นะไม่ใช่คนที่แบบครอบงำหรือว่าท่วมทับกดเอาไว้เป็นต้นไม้